พระพุทธคุณต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงพร้อมหมายคือว่าพระองค์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์พรั่งพร้อมเพียบพร้อมหรือที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระองค์ก็ได้หลายแห่งอธิบายลักษณะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงไม่เบียดเบียนพระองค์เอง พระองค์มีจารณะทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นพระองค์นั้นำดำรงอยู่ในภาวะแห่งจรนะณะเพราะพระองค์เป็นผู้มีกรุณามีกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ผ น, นความที่พระองค์มีกรุณาต่อสัตว์อื่นเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลทั้งพร้อมด้วยศีลสารวมระวังในพระปาติโมก เป็นศีลทางกายศีลทางวาจาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาและที่โคจรคือท่องเที่ยวนะแหล่งที่พระองค์ไปสถานที่ต่างๆที่พระองค์ไปก็เป็นสถานที่ไม่มีโทษมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยมองเห็นโทษของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเล็กน้อยใหญ่เท่าภูเขามองเห็นฝุ่นใหญ่เท่าก้อนเมฆมางั้นนะ มองเห็นโทษเล็กๆน้อยๆเท่าขุนเขาสิเนรุหรือเขาหิมมวันเรียกว่าเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตเราสังเกตดูว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ว่าเห็นโทษเล็กๆน้อยแล้วบอกช่างมันเพราะว่านี้เล็กนี้น้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรไฟอย่าดูหมิ่นว่าเป็นกองเล็กกองน้อยว่าจะไม่เผาบ้านเผาเมืองได้อสรพิษอย่าไปถือว่าตัวเล็กตัวน้อย จะกัดให้ไม่ตายได้หรือแม้กระทั่งวันนักบวชทั้งหลายที่พรรษาน้อยเป็นต้นอย่าไปคิดว่าท่านไม่มีความสามารถหรือแม้กระทั่งกษัตริย์อย่าไปถือว่าพระองค์นั้นยังทรงพระเยาเหลือเกินเพรา ะ, ะเราจะดูหมิน่นดูแคลนเยียดยามพระองค์อย่างไรก็ได้อย่าไปถือเช่นนั้นฉันใดโทษที่เป็นบาปอกุโลธรรมทั้งหลายอย่าไปถือว่าเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กโทษน้อย เพราะโทษเล็กๆน้อยๆ น, นี่แหละฝุ่นที่มันเข้าตามันไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ั้ยฝุ่นที่มันเข้าตาที่ทำให้ตาบอดเป็นต้นก็ไม่ได้ฝุ่นใหญ่อะไรเชื้อโรคทั้งหลายก็ไม่ได้ตัวเท่าช้างเนยนะที่มาเข็นมาฆ่าสัตว์ทั้งหลายแต่เนื่องจากเป็นของเล็กๆน้อยๆฉันใดพิษภยัยทุกโทษทั้งหลายก็มาจากสิ่งที่เล็กน้อยพันเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย นะความผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็มองเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าหากว่ า, เ, าเรือลำใหญ่ๆที่ไปในมหาสมุทรเนี่ยนะถ้าเห็นรอยร้าวเนี่ยแม้แต่รอยร้าวเล็กรอยร้าวน้อยเขาไม่ต้องสนใจเลยใช่ไมช่างมันมันรอยเล็กรอยน้อยบอกเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกหาช่องทางโอกาสที่จะซ้มทันทีเพราะรอยร้าวเล็กน้อยจะมานำมาซึ่งรอยร้าวที่ใหญ่ๆโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อย จะนำมาซึ่งโทษใหญ่ๆความผิดพลาดเล็กน้อยจะนำมาซึ่งความผิดพลาดที่ใหญ่ๆเพราะผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะเห็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะสิ่งใดที่จะทำให้เสียคุณธรรมทั้งหลายสิ่งใดที่จะทำลายคุณธรรมทั้งหลายมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต จะไม่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียบย่วมาเออนี้เล็กน้อยนี้เป็นเพียงอาบัตเล็กนี้เป็นเพียงอาบัตน้อยนี้เป็นความชั่วเล็กความชั่วน้อยน้อยท่านจะไม่ถืออย่างนั้นเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยพระองค์จึงบัญญัติศีลสังวรโดยประการต่างๆบัญญัติวินัยเนี่ยนะบัญญัติวินัยตั้งแต่อาบัตทุพพาสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นอาบัตที่เล็กน้อยแต่พระองค์ก็บัญญัตนะิอาบัตทุกกฎเนี่ยนะอาบัตทุกกฎ หรืออบัตปฏิเทศนียะอบัตติปจิตีอบัต ต, ติสังฆาทิเศษเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ค่อยๆบัญญัติขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยบัญญัติป ร, ราชิกเลยแต่บัญญัติสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยบัญญัติสิ่งที่สมควรและไม่สมควรแก่สมณะทั้งหลายเ ป, เป็นเบื้องต้นเสียก่อนเพราะพระองค์เห็นภายในโทษแม้เพียง เล็กน้อยทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุมไม่อยู่พระองค์จึงบัญญตัญญนะญญติศิกขาบทใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าละเมิดสิ่งเล็กน้อยไปเรื่อยๆก็ต่อไปก็จะละเมิดสิ่งที่มันใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะอันพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลจึงเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในศิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะ ศิขาบททั้งหลายก็คืออธิศีนทั้งหลายสมท า, านอยู่ในอธิศีนเพราะถือว่าอาธิศีลเป็นเบื้องบาตเป็นบาตฐานของอธิจิตและอธิปัญญาทีนี้คนที่มีศีนดีบริบูรณ์ด้วยศีลพรั่งพร้อมด้วยศีลเนี่ยนะเขาจะต้องศีลเนี่ยเป็นเหมือนอริยทรัพย์เป็นเหมือนกับทรัพย์กองโตเป็นทรัพย์ที่ใหญ่มากมันจะต้องทำรัวรัวร้อมเรียกว่าทํารั้วเนี่ยนะทำเครื่อง ป้องกันทําเครื่องปกปักรักษาเครื่องป้องกันนะนะเครื่องป้องกันอันนั้นก็คืออินทรีย์สังวรเนี่ยนะซ้ำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมไหลเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอกุศลธรรมทั้งหลายที่ไหลเข้ามาทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอกุศลธรรมเหล่านั้นนี่แหละที่จะทำะทำให้เสียศีลอกุศลธรรมเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้ ล่วงศีลทุศีลทั้งหลายเนี่ยนะบคนที่จะรักษาศีลให้ดีอินทรีสังวรถ้าเปรียบศีลเหมือนนาข้าวเปรียบอินทรีสังวรก็เหมือนกับรัวรัวรอบขอบชิดเนี่ยนะเปรียบศีลเหมือนกับบ้านเนี่ยนะเปรียบอินทรีสังวรก็เหมือนกับรัวรัวบ้านถ้าเปรียบศีลเหมือนบ้านเมืองเนี่ยนะอินทรีสังวรก็เหมือนกับกำแพงเมืองเนี่ยนะ อินทรีย์สังวรเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะกำแพงเมืองพร้อมกับผู้ที่ทหารยามเนี่ยนะทหารยามก็นับว่าสําคัญฉันใดอินทรีย์สังวรนั้นสําเร็จด้วยสติสัมปชัญญะมันผู้ที่มีอินทรีย์สังวรก็คอยห้ามปรามคอยคัดสรรว่าอะไรควรเข้ามาอะไรไม่ควรเข้านี้เกื้อกูลต่อบ้านเมืองหรือนี้เป็นค่าศึกศัตรูต่อบ้านเมืองนี้เกื้อกูลต่อศีลหรือไม่เกื้อกูลต่อศีลเพราะอนุภาพของ สติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรสําเร็จด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะนี้ต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เพรา ะ, ะนนคนที่มีศีลมีอินทรีย์สังวรอย่างไรเสียมันก็ชีวิตมันต้องดํา ร, รงโดยอาศัยปัจจัยสีทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยเครื่องนุ่งหม่มอาศัยอาหารอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยยุกยารักษายุกรักษาโรคโภชนะตัวนั้นเนี่ยนะ โพชนะในคำว่าโภชนะมัตตัญญุตาเป็นตัวแทนของปัจจัยสี่ทั้งหมดนะรวมความทั้งเครื่องนุ่งหม่มรวมความถึงอาหารรวมความถึงที่อยู่อาศัยรวมความทั้งหยกยารักษาโรคมันจึงรู้จักประมาณในการสแสวงหาปัจจัยเหล่านี้โดยไม่เสียศีลเสียธรรมไม่ยอมล่วงอาบัติเพราะเหตุแห่งโพชนะหรือแม้กระทว่าไม่ยอมบริโภคแม้แต่โภชนะที่ได้มาโดยการ ขับกล่อมโดยการวอนขอขอร้องเป็นต้นเนี่ยนะไม่นี่นะเพราะว่ารู้จักประมาณในการสแสวงหาว่าแค่ไหนจึงจะสมควรแก่ความเป็นสมณนะแล้วก็เมื่อได้ปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็บริโภคโดยแยบขายด้วยการพิจารณาว่าประโยชน์ของการนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็เพื่อเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ของอาหารก็คือเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ ประโยชน์ของที่อยู่อาศัยก็คือเพื่อเหล็กเล้นสำหรับภาวนาประโยชน์ของหยกยาก็เพื่อบำบัดทุกขเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พิจารณาโดยแยกคายโดยรอบคอบแล้วก็เป็นโภชนะที่ได้มาโดยศีลโดยธรรมต่อไปแล้วก็เมื่อบริโภคปัจจัยสำเร็จแล้วเนี่ยนะเบอกว่ากินอิ่มนอนหลับดีแล้วชีวิตที่เหลือไปทาอะไรมันดารงชีวิตอยู่ด้วยสถานะใดมีอยู่ครั้งหนึ่ง น้องชายพระเจ้าอาโศกชื่อว่าติดสัตว์เนี่ยนะเป็นอุปราชเข้าไปในป่าไปเห็นพวกนกพวกเนื้ออนนะมันเคี้ยวกินหญ้าอิ่มแล้วมันก็เล่นสบายอยู่ด้วยความเพลิดเพลินก็คิดว่าแม้พวกสมณะสักย บ, บุตรพวกพระพิสุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะบริโภคปัจจัยสี่แล้วก็คงอิ่มมีผีมันห ล, ลับนอนสนุกสนานไปวันวันนั่งเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าศึกษาไม่ดีถ้าไม่มีการ ไม่มีชาคริยานุโยกไม่มีคุณธรรมอันนี้ก็จะเช่นกับที่น้องพระเจ้าอสกคิดแต่จริงๆแล้วพระพิโุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เหมือนมีความคิดเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะถูกประหารภัยในเจ็ดวันเนี่ยนะมันจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรอนนะอยู่ด้วยความด้วยความ ตื่นตัวเนี่ยนะชาคริยานุโยคอยู่ในภาวะแห่งผู้ที่ตื่นตัวแล้วก็ตื่นภัยเนี่ยนะตื่นพลาชาติภัยภัยคือการเกิดภัยคือความแก่เป็นต้นแล้วก็ตื่นภัยในวัตฏะเห็นภัยในวัตฏะเห็นทุกโทษของผู้ที่อยู่ในวัตฏะก็ประกอบด้วยสมณธรรมถือว่าดํารงอยู่ในอิริยาบทที่คู่ควรต่อการบําเพ็ญสมณธรรมเนี่ยนะไม่ได้อยู่ด้วยความหลับไหลมัวเมาและประมาทนะนะ ฉะนั้นเมื่อบริบูรณ์ด้วยทางกายทางวาจาการใช้ปัจจัยสี่การครองชีพเนี่ยนะอันนี้ศี่และสัมปทาอินทรีย์สังวรโพเชเนเมตันยุตาชาคริยานุโยกเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลทําให้ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีโทษเนี่ยนะอยู่โดยไม่มีโทษเรียกว่าศีลขันอันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษอยู่ในภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้เป็นต้นก็ติเตียนไม่ได้พิจารณาโดยสุขุมรอบครอบละเอียดทีท้วนด้วยเหตุผลแล้วเธอว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พอพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่แค่ไหแค่ศีลเ น, นี่ยนะแค่จตุปาริสุทธิศีลเท่านั้น แต่พระพุทธศาสนายังมีอริยทรัพย์อย่างอื่นที่จะต้องเจริญมีจารณะอย่างอื่นที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อนําไปสู่มรรคผลนิพพานเช่นศรัท ธ, ธาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าสัจ ธ, ธรรมเจ็ดประการเรียกว่ามีสัจ ธ, ธรรมอยู่ในภายในเจประการอย่างสัจ ธ, ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะสัจ ธ, ธรรมเจ็ประการนั้นก็คือหนึ่งศรัท ธ, ธา 2หิริสโอตตะปะสเป็นพหูสูตรหวิริยะหสติเจปัญญาเรียกว่าสัตยธรรม7ประการเป็นธรรมของสัตว์บุตรเป็นธรรมที่อยู่ในภายในของสัตว์บุรุษเช่นศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงในพระรัตะไทรนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เนี่ยเคารพในหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติ ชอบตามธรรมนิยนต์เนี่ยนะดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีศรัทธาวันนี้ก็มาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีหฮริเนี่ยนะมีความละอายต่อความชั่วทางกายมีความละอายต่อความชั่วทางวาจามีความละอายต่อความชั่วทางใจและมีความละอายต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย เช่นราคะโทสะโมหะมานถีนามิท h a เป็นต้นเนี่ยนะอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ละอายละอายที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะเปรียบเหมือนคนที่สะอาดเนี่ยนะละอายไหมที่จะเอาขี้ไก่มาไป้ายไว้หน้าผากเนีนะก็บอกว่าละอายฉันนั้นรังเกียจฉันนั้นหรือว่าคนที่สะอาดทั้งหลายละอายที่จะนั่งบริโภคอาหารในห้องน้ำเนี่ยนะในห้องน้ําที่แบบแหมห้องน้าไม่ใช่บ้านเราอะนะ หองน้ำบ้านอื่นเนบ้านที่สกปรกเลอะเทอะเนี่ยนะกล้าทานอาหารแถวนั้นไหมบอกละอายใจฉันใดที่จะไปบริโภคอาหารใกล้สิ่งปฏิกูลเรียกว่ามีหิริส่วนมีโอตตะก็คือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตสะดุ้งกลัวต่อวจีทุจริตสะดุ้งกลัวต่อมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลายคิดง่ายๆพระพุทธเจ้าละอายใจ ไอ <PTSD> <ไ dakika S 1> ้ความละอายใจ<ส>น <Allison> ี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ความละอายใจอันนี้แหละทําให้พระองค์ไม่ประพฤติผิดในกาเมีทําให้พระองค์ไม่ล่วงเมถุนธรรมเนี่ยนะความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่พูดเท็ศความละอายใจพระองค์จึงไม่พูดให้ผู้อื่นแตกร้าวรานขาดความเมตตาสมัครสมานสามกีปลองดอง เพราะความที่พระองค์ละอายใจนี่แหละจึงไม่ใช้คำายากความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่พูดเพ้อเจอ้อความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่เจอไม่มีอภิชาไม่มีพยาบาทพระองค์จึงไม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีมิจฉาทิฐิคิดเป็นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายในภ า, ายในเพราะพระองค์ละอายใจละอายใจที่จะปล่อยให้ราคะโทสะและโมหะนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็สะดุ้งกลัว วันแล้วก็ผวาว่าอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในภายในถ้าล่วงละเมิดไปแล้วจะมีผลมีทุกข์มีโทษอย่างไรเช่นปานาติบาตเนี่ยนะเมื่อล่วงละเมิดปานาติบาตไปแล้วจะมีผลมีพิษมีภยัยมีทุกข์มีโทษต่อไป อย่างไรถ้าล่วงอาินนาทานล่วงกาเมสุมิจฉาจารหรือประพฤติเกินขอบเขตของพ ร, ม ร, รหมจันทร์มูสาวาตพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งจะ อ, อภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาที่ทมิจฉาสังกปะเป็นต้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้างความเร่าร้อนในปัจจุบันอย่างไรและต่อต่อไปอย่างไรพระองค์ก็หวันผวาในพิษภัยทุกโทษของ บาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีหิริและโอตต ป, ปะเนี่ยนะนั้นเพื่อจะให้เข้าใจเด่นชัดว่าผู้ที่มีหริโอตต ป, ปะนั้นมีความคิดอย่างไรข้อความในคุตการนิกายอิติวุตกะธรรมสูตรเนี่ยนะว่าด้วยสุขธรรมประจำโลกสองประการ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 ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าว่าทำสองประการนี้ไม่พึงรักษาโลกคือหมูสัตว์โลกใสในโลกนี้ก็ไม่พึงปรากฏว่ามารดาไม่มีใครรั่วนี้แม่ไม่มีใครรั่รรวนี้นะนี้ป้านี้ภรยาของอาจารย์นี้ภรยาของครูโลกก็จะถึงความปะปนกันตาเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนั ก, น ก, นกจิ้งจอกฉนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าชีวิตเยี่ยงเดรฉ า, านทั้งหลายเพราะขาด หิริโอตตะ ป, ปะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีหิริโอตตะ ป, ปะนั่ดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุที่สุขธรรมสองประการนี้ยังรักษาโลูกอยู่ฉะนั้นยังปรากฏว่านี้มารดานี้นานี้ป้านี้ภริยาของอาจารย์นี้ภริยาของครูเป็นต้นเป็นเหตุให้ มีการรักษาศีลเนี่ยนะพระฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้สัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงปานาติบาตเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงอธินนาทานเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงกามีสุมิจฉาจาร์ฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ทําให้ไม่ล่วงล่วงอะไรโมสาวาทไม่ส่อเสียดไม่ปิสุนาวาจาพฤทวาจาสัำภะปลาปะ หิริโอตปะนี่แหละเป็นเหตุให้ทุกคนเจริญ อ, อนาภิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิเพราะมีหิริโอตปะความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาศซึ่งพระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริและโอตปะในการทุกเมื่อไซสัตว์เหล่านั้นมีสุขธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติชาราและ มรณนะแปลว่าถ้าไม่มีสุขธรรมไม่มีฮิริโอตปะเป็นปกติในชีวิตอย่างแท้จริงบุคคลนั้นก็ถือว่าขาดกุศลมูลเมื่อขาดกุศลมูลก็ไปไหนไปสู่ชาติชาราและมรณนะไปสู่วัตฏสงสารอันเป็นวัตทุกข์ไม่มีจบมีสิน้นส่วนสัตว์เหลา่าใดเข้าไปตั้งฮิริโอตปะไว้อย่างถูกต้องในการทุกเมื่อ เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเฮริและโอต ป, ปะสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามนะเพราะเฮริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้แห่งอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาต่อไปอย่างที่กล่าวว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกมีเฮริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะผันรักษาเฮริโอต ป, ปะก็ทําให้พรหมจรรย์ทั้งหลายเจริญงอกงามอย่าคิดนะว่าผู้ไม่มีเฮริโอต ป, ปะจะมีศีลบอกยาก เขาบอกว่าเครื่องเช็คสำรวจตรวจสอบว่ามีศีลดีจริงหรือไม่ดูจากฮิริโอตปะเนี่ยนะถ้าไม่มีฮิริโอตปะแล้วยากที่จะเจริญด้วยศีลธรรมทั้งหลายศีลธรรมทั้งหลายเป็นของผู้ที่มีฮิริโอตปะนั้นศีลเป็นบาทของอธิจิตและอธิปัญญางั้นผู้ที่มีฮิริโอตาปะก็จะประพฤติพรหมจรรย์ ประพืชอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญา พ, กพ่กคูณเจริญด้วยอริยมรรคเป็นผู้สงบมีพกใหม่สิ้นแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้รายละเอียดในประมัททีปณีอัตถกถาคุตการนิกายอิติวุตกะที่กล่าวถึงหิริโอตปะว่าเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะเนื่องจากพระองค์มีจรณะคือฮิริและโอตปะเนี่ยนะ ฮีริเป็นเหตุให้ละอายเนี่ยนะคือถ้าไม่มีหีริอยู่ในใจเล ย, ยจะเอาอะไรมาทําให้อายใจเนี่ยนะกระว่าถ้าไม่มีหีริอยู่ภายในยังไงมันก็หน้าด้านอะมังนงั้นเถอะเพราะหีริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้ละอายต่อใจเนี่ยนะอธิบายว่าข้อที่บุคคลละอายต่อสิ่งที่ควรละอายอายในสิ่งที่ควรอายอายต่อความเกิดขึ้นแห่ง อากุศลธรรมอันชั่วช้าลามกบาปประธรรมทั้งหลายอายเหลือเกินที่จะปล่อยให้บาปนี่มันกำเริบเสริบสามเจริญเติบโตขึ้นเรียกว่ามีหิริเนี่ยนะฮิริเนี่ยละอายที่จะปล่อยให้บาปประธรรมทั้งหลายบาปอากุศลธรรมทั้งหลายงอกงามเจริญเติบโตส่วนโอตปะเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวเนี่ยนะ ถ้าหาว่าไม่มีโอต ป, ปะแทรกเข้ามาภายในใจแล้วใครจะไปกลัวบาปประกรรมอะไรเล่าโอต ป, ปะเป็นเหตุให้กลัวบาปประกรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้กลัวตายญาติทุจริตเป็นเหตุให้กลัวต่อว่าจีทุจริตเป็นเหตุให้กลัวต่อมโนทุจริตกลัวผลในปัจจุบันและต่อต่อไปฮีริโอต ป, ปะนั้นตัวฮีริเองเนี่ยต้องปรารบภายในอย่างที่กล่าวว่าคนที่มีหีริคือคนที่เคารพตน เคารบตอนก็แปลว่าเกรงใจตัวเองเคาร์บแปลว่าเกรงว่าความขวัญความเกรงเนี่ยนะเช่นคนที่เกรงใจต่อตัวเองเรียกว่าคนที่มีฮิริคนที่มีฮิริเนี่ยเกรงใจภายในด้วยเหตุ4ประการหนึ่งนึกถึงชาติตระกูล2นึกถึงวยัยสนึกถึงความเป็นผู้กล้าแล้วก็4ีนึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนอธิบายว่าคนที่จะเกรงใจตัวเองที่จะทําชั่วเพราะนึกถึง ชาติตระกูลอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำความชั่วเหล่านี้เป็นการกระทำของผู้ไม่ใช่เป็นผู้การกระทำของคนที่มีชาติที่เจริญอารยะทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าอารยะชนทั้งหลายชนผู้เจริญเนี่ยนะได้มีการศึกษาเป็นต้นชนเหล่านี้เขาไม่ทำบาปประรมหลอกชนที่ทำบาปประรรเนี่ยเป็นคนที่อนนริยะเป็นคนที่ไม่เจริญเลยเป็นคนที่มีชาติตา่าเพราะฉะนั้น ชาติตระกูลเช่นท่านไม่สมควรที่จะทําความชั่วอย่างนี้ปรารอตัวเองเลยนะตัวเองนี่เป็นใครมาจากไหนระลึกถึงว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีอย่างไรเห็นคุณธรรมภายในของตนอะไรจะมาละเมิดเพราะเหตุแค่นี้หรืออะไรก็ว่าคนที่มีชาติตระกูลดีเหมือนเราอย่างนี้เนี่ยนะจะมาทําความชั่วเพียงเท่านี้หรือนะแล้ว เ, เรียกว่าอะไรเหมือนกับอย่างว่าคนที่มีชาติตระกูลสูงเนี่ยนะจะมาตลบตะแรงกอแหลเพราะ เสลิงสเสลิงเท่านี้หรือมันสมควรไม่ล่าเนี่ยนะก็ละอายใจบันคนที่มีหฮรินั้นจึงลำพองในศักดิ์ศรีนนะเหมือนคนลำพองในศักดิ์ศรีแต่ถ้าลำพองอาจจะมานะ น, นะแต่นี้ก็คือทนงนะเรียกว่าทนงหรือว่าป ร, ราลบาเออเนี่ยเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะมีชาติมีตระกูลอย่างเช่นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาก็ชื่อว่าชาติตระกูลเราคือใครก็คือชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็เว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่จะรับทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้ามันก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีกขามีพุทธศาสนาอยู่ในในใจเนี่ยนะควรแล้วหรือที่เราจะทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะอันผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเช่นเราหรือจะทําบา ป, ปรกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจะนั้นคว็คนที่หยิ่งทะนงใน ในคุณสมบัติของตนเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดเขตแดนทำให้ไม่ล่วงละเมิดศีลทาให้ไม่เสียศีลถึงประจบกับปัจจัยเหล่าใดาเกิดขึ้นก็ไม่ล่วงกายทุจริตไม่ล่วงวจีทุจริตไม่ล่วงมโนทุจริตเนี่ยนะไม่ล่วงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะเพราะอะไรเพราะร ะ, ะลึกถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีชาติมีตระกูลเป็นต้นหรือต่อไปบอกนึกถึงวัยเนี่ยนะเคารพตนเองว่า การกระทำความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องของคนคนที่ยังเล็กน้อยอะ่ะเป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะเด็กๆที่ไม่รู้เท่านั้นแหละมันจึงจะทำอย่างนี้ได้ยังเคยเห็นไ้ยกิริยาอาการของเด็กเนี่ยนะทำในกิริยาที่ไม่เหมาะสมนั่งเกลือกกล้วอยู่ในอุจจาระปัสสวาวะเพราะเขาเด็กเพราะเขาน้อยเพราะเขาไม่รู้เขาไร้เดียงสาเขาจึงเกลือกกล้วอยู่ในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ัยอย่างเรานี่ล่ะ เราเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีเดียงสาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็กว่าจะไรเดียงสาทำความชั่วเหล่านี้ไปถึงไหนวันคนที่ทำความชั่วอยู่ก็เหมือนกับคนไรเดียงสาเนี่ยนะไม่มีพุทธิภาวะทางจิตวิญญาณอ่างนั้นนะเป็นจิตวิญญาณที่ยังอ่อนเยาว์เนี่ยนะเป็นจิตที่วิญญาณที่โง่เขลามากนะนะเพราะฉะนั้นถือว่ายังเด็กยังน้อยยังอ่อนยังเ บ, บะเบอเหลือเกินที่จะคิด ชั่วอย่างนี้เนี่ยนะที่จะทำความชั่วอย่างนี้คนที่ยังพูดชั่วอย่างนี้ก็เพราะเด็กสังเกตดูนะถ้าเด็กจะทำอะไรเราบอกโอ้ก็เขาเด็กเขาเล็กเขาน้อยนะหรืออ่าเขาจะไปพูดพูดอย่างใดคำใดคำหนึ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็บอกว่านี่เป็นคำของเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วของเราละ่ะวัยของเราเรายังคิดว่าตัวเองเด็กหรือโตแล้วถ้าคิดว่าโตแล้วพอสมควรแล้วเอ๊ะคนตนเจริญเติบโตมาขนาดนี้ทาชั่วด้วยหรือ น, นะไม่มียางอายบ้างเลยหรือภาษาไทยฮิริแปล ว, ว่ายางอายเนี่ยนะมียายางอายอยู่ในใจบ้างเลยหรือเนี่ยนะถ้ามียางใจอยู่ถ้ามียางอยู่ในใจมีความละอายละอายใจอยู่ในใจบ้างสมควรไหมที่เราจะทำแบบนี้สมควรไหมที่จะพูดแบบนี้สมควรไหมที่จะคิดแบบนี้เนี่ยนะก็อย่าลืมว่าฮิริเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสอนตนและคนนั้นจะต้องมีวิจารณญาณที่แม่นยำเนี่ยนะ เป็นคนเพราะหีริโอตา ป, ปะจริงๆก็มีโยนิโสมนสิการนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ น, นีมีเหตุใกล้โยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการก็ต้องมาจากข้อมูลอย่างดีมีวิชามีความรู้เพราะคนที่ถือว่าตัวเองเจริญเติบโตมีอายุมาปู น, นี้แล้วอายุมากขนาดนี้แล้วจะทําความชั่วได้อย่างไรก็แปลว่าตัวนั้นเป็นคนที่มีการศึกษานะนะ ตัวนั้นเป็นคนที่มีประสบะการณ์มีประสบะการณ์ของชีวิตรอบรู้เหตุผลดีชั่วรอบรู้บุญบาปเมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกเราไม่ใช่เด็กนะที่จะไปทำความชั่วอย่างนี้เนี่ยนะเราไม่ใช่เป็นเด็กน้อยเลยนะไม่ใช่ไร้เดียงสามไม่ใช่อ่อนเยาว์ที่ไปทำความชั่วเช่นนี้ถ้าความความชั่วแบบนี้เด็กๆเขาทำนะมันดูไม่น่าเกลียด แต่โตขนาดนี้วัยปานนี้อายุเท่านี้มีการศึกษาเพียงนี้แล้วมาทำตัวเช่นนี้จะทำอย่างไรนันคนที่มีฮิริเนี่ยนะไปคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยนะลองถ่ายภาพเอาไว้ดูในวันหลัง่พอใจไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยนะกิริยาพฤติกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเก็บมาเหมือนว่านั่งฉายวิดีโอตัวเองเลยเนี่ยนะตอนที่มีสติสัมปชัญญะเต็มตัวไม่เมาด้วยบาปอากุศลเหล่าใดเนี่ย มีสติปัญญาไม่ไม่เมาทางความคิดเนี่ยนะเหมาะสมไหมพฤติกรรมทั้งมวลที่เราได้กระทํามาเหมาะสมไหมถ้อยคําที่เราพูดมาเหมาะสมไหมในความนึกคิดของเราและบัดนี้ล่ะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันคืออะไรสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยพูดอะไรและความคิดของเราเรากําลังคิดอะไรเนี่ยนะวันหฮริเนี่ยมันเรียกว่ามันดึงต่อมต่อมแห่งความอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมันเกิดขึ้น ถ้ากรรมธรรมให้ศีลเนี่ยดีขึ้นศีลก็เจริญขึ้นศีลก็งอกงามและก็งอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะดงั้นคนที่มีศีลเนี่ยระลึกถึงระลึกถึงอะไรระลึกถึงว่าเราเนี่ยมีอายุปูนี้แล้วเนี่ยนะโตมีสติมีปัญญาเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีความรู้มีความสามารถขนาดนี้แล้วจะทําบาปทําอกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างไรเนะี่ยทีนี้คนที่ จะมีฮิริเนี่ยนะจะต้องระลึกถึงว่าระลึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนกภัยระลึกถึงความเป็นผู้กล้าระลึกว่าตนนี้เป็นคนกล้าบอกว่าการกระทําความชั่วเป็นเรื่องของคนอ่อนแอเนี่ยนะเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่คําว่าอ่อนแอก็คือไม่มีน้ําอดน้ําทนน่ะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเลยเป็นคนที่เบาบางเหลือเกินเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะคนที่เบาบางเขาเรียกว่า ภูมิคุ้มกันบกพร่องทางความคิดเนี่ยนะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทางความคิดมากเจออะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ทาํ า, ท ค, วา ER ทความชั่วด้วยกายทําความชั่วด้วยใจเจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆก็ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันทางความคิดไม่ดีเลยนะเราเนี่ยถ้าเรามีภูมิขนาดไหนเนี่ยนะมีภูมิมต้านทานพอที่จะสกัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเท่าใดเนี่ยนะเพะ คนที่อ่อนแอคนขี้คลาดเท่านั้นแหละที่จะทำบาปประรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยแล้วเราอ่ะสัญชาตญาณของเราเป็นยังไงคนที่หวาดหวัน่นผวาเนี่ยนะผวาใช่กลัวเขาจะฆ่าเราเราต้องฆ่าเขาก่อนกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้เราเราก็เลยต้องสร้างความเดือดร้อนให้เขาก่อนเขาด่าเราก่อนที่เขาจะด่าเราเราต้องด่าเขาก่อนเป็นต้นเรามีภูมิคุ้มกัน เ, เราเป็นคนอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นคนที่ รักษากุศลธรรมไว้ได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีหิริคือมีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเป็นคนกล้าเนี่ยนะเป็นคนที่มีใจกล้ามีใจไม่หวาดหวัน่นมีใจไม่พ่านเพลิงตั้งมั่นมั่นคงไม่หวาดไม่หวัหวหว่นไม่ผวาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าหวั่นผวาอยู่บ่อยๆเนี่ยนะอย่างคนที่มัวแต่ผวาไม่มีความมั่นใจอยู่ในใจเลยเนี่ย คิดหรือว่าศีลของเขาจะยั่งยืนเพราะนั้นคนที่ไม่มีความกล้าไม่มีความหนักแน่นในภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าพรหมจรรย์ของเขาไม่ยั่งยืนศีลไม่ยั่งยืนสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนตัวที่เป็นเหตุให้ศีลยั่งยืนก็คือมีความแข็งเนี่ยนะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงไม่หวั่นไม่ผวาเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลดีเนี่ยนะเนื่องจากเป็นคนที่มีละอายความละอายตัวนี้ก็แปลว่าเขามีความหนักแน่นมีความ มั่นคงเนี่ยนะความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนกล้าคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนไม่หวาดไม่วันไม่ภาวาเป็นคนที่กล้าองอาจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้นี่แหละจึงจะทาให้รักษาศีลต่อไปได้เมื่อระลึกถึงความกล้าของตนและจะทำความชั่วยอย่างนี้ได้อย่างไรเราไม่ขี้ขลาดพอจะทาบาปอย่างนี้ได้หรอกเราไม่ขี้ขลาดพอที่จะ ทำชั่วอย่างนี้พูดชั่วอย่างนี้นึกคิดด้วยความคิดที่ชั่วความนึกคิดที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะนั้นหิริจึงมีมีดํารงอยู่ในฐานะภาวะแห่งคนกล้าภาวะของผู้กล้าไม่ล่วงละเมิดบาปประธรรมทั้งหลายและต่อไปเนี่ยนะคนที่มีฮิริเนี่ยก็เกิดเกรงใจตัวเองว่าตัวเองเนี่เป็นคนที่มี มีการศึกษาเนี่ยนะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นคนที่เรียนรู้มากเนี่ยนะคือคนที่มีหิริดังที่กล่าวว่าคือคนที่เกรงใจตัวเองเป็นเป็นคนที่เคารพตัวเองเนี่ยนะเขารีาพวกนี้เป็นอัตตาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยตัวนี้ไม่ใช่เป็นคําที่เลวร้ายนะเป็นคําที่เคารพตัวเองเคารพสิทธิของตัวเนี่ยนะเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองเมื่อเป็นคนที่เคารพสิทธิของตัวเองเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ย เขาจะไปทําบาปได้ยังไงเนี่ยนะมันเมื่อตัวเองมีสิทธิคนอื่นเขาก็มีสิทธิถ้าเคารพตนก็แปลว่ารู้จักเคารพคนอื่นมันคนที่มีหิริเนี่ยจึงเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเกรงใจกระว่าเกรงกายเกรงวาจาเกรงใจทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปอย่างนั้นด้ว ย, เ, ยเช่นมีการศึกษาเช่นเราแล้วเราทําไมเราต้องทําบาปเช่นว่าการกระทําที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นหลายๆคนก็จะพูดว่า เราศึกษาธรรมมาขนาดนี้แล้วทําไมเราจึงพูดแบบนี้ทําไมเราจึงทําแบบนี้ทําไมเราจึงคิดแบบนี้เนี่ยนะถ้าล่วงละเมิอดออกไปก็แสดงว่าหิริเราไม่ดีเนี่ยนะบางคนนี่ก็คิดว่าเราเรียนมาขนาดนี้แล้วนะเราฟังธรรมมาขนาดนี้แล้ว น, นะวินัยปิดกเราก็เรียนจบแล้วอภิธรรมปิดกพระสุตันตปิดกนิกายนั่นสูตรนี้กุศลกรรมมาบทมงคล38ทุกอย่างเราเรียนมาหมดแล้วเมื่อเรียนมาขนาดนี้เราจะทําชั่วแค่นี้ได้หรือ นะเราจะทําความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะมันคนที่มีหิริเนี่ยพวกนี้กลัวเสียประวัติตัวเองในอนาคตอยงนั้นนะวันนี้ตกแต่งพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกลัวจะสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้แก่ตัวเองมันพวกนี้ใคร ว, ว่าพวกอะไรอ่าพวกนี้ถือรักเน้นความสมบูรณ์แบบเป็นเป็นลักษณะเนี่ยนะใคร ว, ว่าไม่ไม่ต้องการมีพฤติกรรมที่ด่างพร้อยถ้าเป็นหน้าก็ไม่ต้องมีไม่ต้องการให้มีรอยหน้าแบบ อะไรนะแผลเป็นเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะหน้าผากกราเย็บยี่เข็มเนี่ยนะแก้มซ้ายแก้มขวาก็อย่างละยี่สิบห้าเข็มคางอีกห้าสิบเข็มเป็นต้นก็ไม่มีใครขนาดนั้น น, ะนั่นก็เละหมดแล้ววนะเนีนั้นคือเขาแปลว่าเป็นคนที่รังเกียจแม้กระทั่งความชั่วเหล่าใดเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเหมือนคนที่รักสวยรักงามรังเกียจความไม่งามฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ปรารถนาเออศึกษามาขนาดนี้แล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วสมควรไหมเนี่ยนะ แต้คิดดูนะถ้าเป็นเราเป็นคนนอกมองเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ขนาดนี้แล้วเราทำชั่วขนาดนี้เนี่ยนะเราทำใจได้ไหมเราชอบไหมเนี่ยนะก็อาศัยการศึกษาความรู้ที่มีอยู่นี่แหละทำให้ไม่ล่วงละเมิดนะพั้นคนที่มีฮิริแบบนี้แหละจะทบทวนชีวิตของตนนะทบทวนพฤติกรรมทบทวนคำพูดทบทวนความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะ แต่บางคนก็บอกพอมาศึกษามาธรรมะมาขนาดนี้บอกละอายใจเหลือเกินแหมชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเองช่างผิดช่างพลาดคือคื อ, คอนึกถึงแล้วก็กินแหนงแคลงใจตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะก็ถามว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรคือนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนแล้วก็เสียใจนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจพอฟังทำมาตรงนี้เมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่แผลเก่าแผลเป็นแผลเป็นน้องแผลอักเศบที่อยู่ในใจอยู่นั่นแล เนี่ยนะจะแก้ไขอย่างไรจะรักษาอย่างไรก็บอกว่าจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางมาพบอาหารเต็มโตเนี่ยนะเดินทางมาพบบ้านเมืองที่บริบูรณ์พูนสุขด้วยข้าวปลาอาหารอาหารเต็มโตทุกคนก็มีแต่ความเอิบอิ่มพรั่งพร้อมเนี่ยนะไม่เดือดร้อนไม่ลำบากเลยถามว่าเมื่อมาประสบพบอาหารที่ตั้งเต็มบนโตเนี่ยนะ มานั่งบ่นถึงความอดอยากหอยหิวในความหลังไหมควรจะรีบบริโภคอาหารหรือควรจะนั่งเศร้าโศกเสียใจในความอดอยากหอยหิวที่ผ่านมาในครั้งเก่าครั้งก่อนบอกไม่มีประโยชน์การที่เราจะมานั่งระลึกว่าเออเมื่อก่อนเราเคยอดอยากหอยหิวไม่มีประโยชน์แล้วอาหารที่อยู่เฉพาะหน้าฉันใดแล้วสิกขาที่อยู่เฉพาะหน้าของเราละ่ะ ทำไมเราไม่หมั่นสมาทานสมาทานที่จะเจริญหิริสสมาทานที่จะเจริญโอตตะ ป, ปะสมาทานที่จเจริญอริยธรรมสมาทานที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้ไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องรอเมื่อไหร่อีกแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าเคยอดอยากหิวโหยอย่างไรมาก็ช่างเถอะในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้กําลังจเจริญอะไรกุศลธรรมทั้งหลายเน้นการจะเป็นกุศลขณะนี้แล็กขณะ ต, ต่อไปเน้นกุศลที่เป็นไปในปัจจุบันและต่อต่อไปในอดีตทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเนี่ว่าตอนเช้าเราเป็นกุศลไหมตอนสายเป็นกุศลไหมตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำวันนี้จะทํากุศลอะไรได้บ้างพรุ่งนี้จะเจริญกุศลอะไรต่อต่อไปเราจะเจริญกุศลแลรทำอะไรและกุศลธรรมอะไรที่จะต้องเจริญให้งอกงามให้ภัยบูรุษให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปละ่ะ นั่นแหละเป็นกิจที่สำคัญนั่นเป็นสาระสำคัญที่จะต้องประพฤติและต้องปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้และต่ อ, ต, อต่อไปจะเจริญอะไรต่อต่อไปจะทำอะไรก็ควรจะปรารบตรงนี้ให้มากมาเนี่ยนะนั้นฮีรนั้นจะจะทำให้ระลึกถึงว่าเออเนี่ยที่ผ่านมาช่างมันเถอะแต่ที่กาลังจะทาต่ อ, ต, อต่อไปละ่ะเนี่ยไอตรงนี้เป็นตัวที่ สำคัญเนี่ยนะอดอยากหิวโหยที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์เท่ากับอาหารที่วางต่อหน้าและก็ยังมีมื้อต่อต่อไปให้บริโภคโดยไม่อดอยากและหิวโหยเนี่ยนะส่วนโอตปะย้อนมาโอตปะโอตปะนั้นเป็นคนที่อะไรเกรงกลัวต่อภายนอกหรือปรารบต่อภายนอกย้อนกลับมาเนี่ยนะบอกว่าฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาติตระกูล เป็นพุทธานกูลเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเอาอะไรมาเป็นเหตุให้พระองค์ทำชั่วมีไหมไม่มีอย่างที่สองนึกถึงวัยโดยวัยของพระองค์ก็เป็นบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะถือว่าเจริญที่สุดในโลกเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะพระองค์ก็โดยวัยพระองค์ก็นับว่าเป็นพี่ของสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะสถานะเป็นพ่อ พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อของภาษารีบทเป็นพ่อของพระโมคคัลลานะเนี่ยนะพระองค์เป็นเช่นพุทธบิดาเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านั้นเช่นกับโอรสและทิดาของพระองค์โดยไวยของพระองค์ก็เจริญที่สุดสมบูรณ์ที่สุด